มีการเบื้องต้นไม่ปรากฏว่านานเท่าไรมาจึงตรัสเทศนาไว้ว่าจักขูจะเห็นอาศัยมีรูปเมื่อจักขูเห็นรูปแล้วก็กระทบถึงวิญญาณให้รู้ว่ารูปสิ่งนั้นตกว่าจาักขูอาศัยรูปจึงเกิดวิญญาณสิ่งสามประการ น, นี้มีขึ้นจึงบังเกิดผัสสะพิษ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 ผลบาปกรรมนั้นก็แต่งให้เกิดมีจักขุเสวยทุกข์ไปอีกเล่าแต่ต่อต่อเวียนไปไม่รู้ว่าสักเท่าไหร่ที่สุดเดิมอยู่ที่ไหนเล่าปอบพิท พ, พระราชสมผานพระเจ้ากรุงมีลินมีพระราชองค์การว่าจะหาเดิมไหนเล่าด้วยต่อต่อเวียนมานานกว่านานในการนั้นอันหนึ่งจะวิสัชนาให้เข้าใจที่จักขุเห็นรูปฝ่ายบุญ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 อารมณ์ชั่วอารมณ์เป็นอุเบกขาเมื่อเวทนาบังเกิดแล้วก็เป็นปัจัยให้เกิดตัณหาเมื่อตัณหาบังเกิดแล้วก็เป็นปัจัยให้เกิดอุปาทานเมื่ออุปาทานบังเกิดแล้วก็เป็นปัจัยให้กระทาซึ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมฝ่ายว่ากุศลอกุศลกรรมก็แต่งผลให้ไปเสวยสุขเสวยทุกข์ในภพ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 เป็นที่จะให้เกิดในสงสารก็เหตุไฉยพระนาคเษนจิงว่าจะกระทกกากุศลก็ดีอกุศลก็ดีอาศัยแก่ตันหากับอุปาทานนั้นพระโยคาวาจรเจ้าจำเริญสมถกรรมฐานนี้หวังจะตัดตันหาอุปาทานจึงกระทาการกุศลแต่พระนาคเษนเถ ร, ระเจ้ามาว่าตันหาอุปาทานเป็นต้น ย่อมเป็นปัจจัยให้กระทำกุศลนี้เป็นที่สงสัยจึงวิสัชนาว่าตันหามีร้อยแปดประการจะวิสัชนาแต่ตันหาสามคือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหากามตันหานั้นได้แก่ตันหาในกามภพสิบเอ็ดชั้นคืออบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งเป็นห้า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 จะสำแดงด้วยภาวะตันหาภาวะตันหานั้นได้แก่บุคคลจำเริญรูปประชานได้ไปเกิดในรูปประพรมสิบหกชั้นวิภวะตันหานั้นได้แก่บุคคลจำเริญอรูปประชานได้ขึ้นไปเกิดในอรูปภะพรมประการหนึ่งถึงว่าจะได้พระโสดาปติผลพระสกิทาคามิผลก็ดีพระอนาคามิผลก็ดี ยังมีตันหาอุปาทานเป็นปัจจัยค้ำชูให้กระทํากุศลอยู่ได้ไปเกิดในภพบเบื้องบนเหตุเชนี้พระนาคเษนผู้เป็นองค์เอกอรหันจึงวิสัชนาว่าตันหาอุปาทานนี้เป็นปัจจัยอุดหนุนให้กระทํากุศลต่อเมื่อได้สําเร็จพระอรหันตผลแล้วจึงจะขาดจากตันหาอุปาทานเข้าพระนิพพานไป